ใครมีธุระอะไรก็ตามีธุระอะไรก็ตามอือฮะทำก็ต้องมาเสาอาทิตย์ได้่ไจะได้ฟังว่าเป็นธรรมดาก็ได้แต่คุยกันได้ได้คิดสงสัยกับเพื่อนว่ามูที่น่าจัดการสุดหรือธรรมา สามารถอุทิศให้กับผู้ที่เสียชีวิตได้ไคะไม่ได้บุญที่อ่ที่ได้ก็บุญที่ทาจากเกิดจากการทำทานเปนบุญอย่างมันมันแทบว่ามันเกินมนไม่สามารถส่งไปทางไปสนิได้นะของมันนัต้องทำเอง ก็ูคน่นวที่ตายไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปตามบุญต า, ตามกรรมของเขาที่เข้ามารอรับส่วนบุญเพราะกรรมของเขาเขาทําไว้ทําให้เขาไม่สามารถไปไปที่ที่ดีกว่าได้เพราะเขาไม่มีบุญพาไปเขาไม่ได้ทําบุญทำทานขณะที่มีชีวิตอยู่ ทำแต่บาปพอพอตายไปเขาก็ไม่มไม่มีบุญเหมือนกับไม่มีเงินไปอะไรต้องมาเป็นขอทานรอรับส่วนบุญของผู้ที่ทําบุญแล้วอุท่ศให้เขาบุญอุทิศนี้ได้เกิดจากการทําทานอย่างเดียวถ้าเราทําทานนี้ตราที่ก็รับได้ใช่ไหมคะถ้าก็รอรับอยู่ คือคนตายที่ตายมันไม่มีมีหลายลักษณะตายแล้วเป็นเศรษฐีก็ไม่ต้องมาลองรับบุญคือคนที่มีชีวิตอยู่ว่าทำบุญอย่างสม่ำสมอพอตายไปเท้าก็มีบุญติดตัวไปแล้วก็ไปเป็นเทพเป็นพรมไปคนที่มีขนาดมีชีวิตอยู่ไม่ทำบุญทำแต่บาปตายไปก็ไปเป็นเปรตหรือไปตกนรก หรืไปไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นผีมันมีอยู่สี่ชนิดสําหรับพวกที่ไม่ทําบุญทําแต่บาปพวกที่มารอรับส่วนบุนเขาเรียกว่าเปดเพราะเขาบุญก็เป็นเหมือนอาหารของเขาเมื่อเขาไม่มีอาหารเขาก็ต้องมารอรับอาหารม า, มารอรับ บุญจากคนที่ทาบุญส่งไปให้เขาถ้าเป็นท้าคนตายเป็นาวนาเขอาจจมาทำบุญกับคนที่นั่งสมาธิก็ไ ม, <อ>ไม่รู้ก็จะมาโนโมทรามาทำไมเขาก็ไปเที่ยวของเขาเนี<อ>่ยเวลาคุณไปเที่ยวต่างประเทศคนจะมารอสนใจกับคนนู้นคนนี้ทำบุญหรือ่ก็ไม่แน่ถ้าเขา้าเขารับทราบ เนยบางทีเขาตายไปแล้วเขาไปเป็นเทวดาแล้วเราคิดถึงเขาเราไม่รู้ว่าเขาเป็นเทวดาแล้วเป็นเปดตเราก็ทำบุญอุทิศบุญให้กับเขาถ้าเขารับทราบเขาก็จะอนุโมทนาถ้าเขาไม่รับทราบก็เขาก็ไม่ได้อนุโมทนาอยจิตใจของแต่ละดวงนี่มันอาจจะมีความผูกพันมากน้อยต่างกัน เม่ที่ตายไปแล้วยังมีความผูกพันกับคนที่มีชีวิตอยู่ก็อาจจะสามารถรับรู้เรื่องของคนที่มีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีความผูกพันเขาก็เขาก็ไปแล้วไปตามตามความต้องการของเขาไปตามความอยากของเขา ตามบุญตามบาปที่เขาทาไปเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของคนตายมากควรจะกังวลกับเรื่องของเราที่ยังเป็นอยู่ดีกว่าว่าเรามีบุญพอหรือ ย, ยังตัวบุญมันก็มีหลายระดับด้วยกันระดับเทวดาระดับพรหมระดับพระอริยเจ้า ม, มีหลายระดับแล้ว วิธีสร้างบุญแต่ละระดับก็ไม่เหมือนกันงั้ทำทบุญรักษาศีลนี่ก็เป็นเทวดาถ้าถ้านั่งสมาธิรักษาศีลก็ได้เป็นขมถ้าได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสีเห็นทุกขสมุทัยนิโรธนะ ก, ก็เป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆ เ, เรายัางยังไม่มีบุญมากเราควรที่จะสร้างบุญให้กับเราดีกว่าไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของคนที่เขาไปแล้วนอกจากเขามาหาเราจริงๆเวลาเข้าฝันเวลานั่งสมาธิแล้วเขามาปรากฏในสมาธิซึ่งคนที่มีพลังกิต บางคนที่นั่งสมาธิแล้วก็จะติดต่อกับพวกที่ตายไปแล้วได้พวกที่เป็นเปรตเป็นผีแล้พวกที่เป็นเทวดาอย่างหปู่มั่นท่านก็มีเทวดามาฟัางเทศฟังธรรมคุณแม่ชีเก้าก็ยังมีพวกที่เป็นพวกที่เึิ่งตายไปอย่างพวกวัวควาย วัวป่าหมูป่าอนะไรพวกนตายแล้วเขาเข้ามาพบมาเล่าเรื่องความตายของเขาให้ฟังเขาถูกนายพานฆ่าตายคุณนี้นายพานก็คงยาวเนื้อมามาขอให้แม่ชีเขาก็ขอให้แม่ชีรับแล้วใม้ตาให้กับเขาด้วยแล้วขอ ถวายเป็นทานแล้วพอนัน้องขึ้นเรื่องที่แม่ชีทราบภายในสมาธิจะ ก, ก็เป็นไปตามที่ทราบมีคนเอาเอาเนื้อหมูป่ามาถวายให้แม่ทีอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของคนบางคนที่เวลานั่งสมาธิแล้วกิตเขาสามารถติดต่อกับ ดวงวิญญาณต่างๆได้พระพุทธเจ้านี้ท่านก็ติดต่อได้กับดวงวิญญาณทุกระดับของพระพุธมารดาท่านก็ติดต่อท่านสามารถติดต่อแล้วสั่งสอนธรรมะได้ ส, สอนจนข้างบรรลุเป็นท้าโสดาบันได้อันนี้มันก็มีความเกี่ยวข้องกันถึงจะติดต่อกัน เพราะว่าดวงวิญญาณนี้มีก็มีเป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมคนที่ไม่รู้จักเราก็ไม่ได้ไปสนใจเราก็สนใจกับคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยอย่างนกรีพระพุทธเจ้ากับพระพุทธมารดาก็เ ป, เป็นเป็นแม่ลูกนะลูกก็มีความกตัญญูคิดถึงบุญคุณของแม่ก็อยากจะทดแทนบุญคุณก็ พอดีมีความสามารถมีพลังจิตที่จะสามารถสะแสวงติดต่อกันได้ก็สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้ต่างต่างความสามารถพระพุทจ้ามีคสามารถแสดงธรรมแล้วผู้ที่ฟังก็สามารถรับไปปฏิบัติได้เป็นเทวดา ัไปปฏิบัติก็บรรลุเป็นพระอาริยบุคคลได้แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นก็อาจจะไม่สามารถที่จะรับไปได้เพราะโดมมน ญ, ญาณของแต่ละดวงนี้ก็มีระดับธรรมะหรือระดับบุญไม่เท่ากันอย่างพวกเปรนี่ถ้าไปสอนธรรมะเขาก็ไม่เข้าใจเพราะเขากำลังหิวกำลังอยาก ต้องให้สิ่งที่เขาอยากได้เขาให้ธรรมะเขาก็เขาก็ไม่อยากได้ให้สมาธิเขาก็ไม่อยากได้เขาอยากจะได้บุญอยากได้ปัจจัยสี่เหมือนขอทานขอทานเอานักซื้อธรรมะไปแจกไม่เอาอยากจะเอาเงินมากกว่าจะได้เอาเงินไปซื้อของที่เขาอยากจะซื้อ อยากจะกินข้าวกินอะไรชื่ออะไรเอาหนังสือธรรมะเอาวิธีนั่งสมาธิไปให้เขาอ่านไปสอนก็นั่งสมาธิเขาก็ไม่เอาเพราะระดับของจิตของเขาไม่มีความสามารถที่จะจะรับทําขั้นสูงได้อะไรต้องเอาทําขั้นต่ําก็คือทานบุญขั้นต่ําก็คือทานให้เขาไป พวกที่ไปตกนรกนี่ก็ไม่สามารถรับได้เพราเหมือนกับถูกกักกักบริเวณไว้ไม่ให้ออกมาเหมือนอยู่ไปติดคุกพวกไปตกนรกนี่เหมือนไปไปติดคุกส่วนพวกที่มาเกิดเป็นเตระชานี้เขาก็หากินของเขาเองได้เขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญ ในระดับจิตของแต่ละคนนี้มันขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำไวเช่นอะบายสีนี้ท่านบอกว่ามีอยู่มีอยู่สีเหตุด้วยกันทําบาปด้วยความไม่รู้เชไม่รู้ว่าฆ่าคนอื่นไม่กินทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองนี้เขาไม่รู้ว่าบาปเขาคิดว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการเลี้ยงชีพ ของเขาแต่พวกนี้ก็จะเป็นเดรัจฉานเพรอพวกเดรัจฉานเขาก็ไม่รู้เขาก็หากินของเขาไปจัตว์เกสัตว์ตน้อยปลาใหญ่กินปลาเล็กเขาคิดว่าเป็นเรื่องปกติของชีวิตนี่ก็ทำบาปโดยไม่รู้ว่าบาปพอตายไปก็ไปไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าเป็นมนุษย์ก็มีอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็คิดว่าเป็นเรื่อง เรื่องการอยู่รอดแล้วทางกฎหมายเขาก็ไม่ถือว่าผิดกฎหมายการชี้ค้าเป็ดค้าไก่ค้าหมูค้าวัวค้าควายหรเป็นเพชรฆาตแม้แต่เป็นาหารตำรวจนี่ก็ก็ถือว่าเป็นเดรัจฉานได้เหมือนกันเวลาไปค่าทำตามหน้าที่ของตนก็ยังค้าก็ยังบาปอยู่ แต่ฆ่าโดยคิดว่าไม่บาไม่ไม่มีผลเสียหายตามมาแต่เป็นการฆ่าเพื่อเลี้ยงตนเองรักษาชีวิตของตนเองมินก็เรียกว่าทำบาปโดยไม่รู้ว่าบาปว่ามีผลตามมาเมื่ตายไปก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเหมือนพวกที่ทำบาปด้วยความโลภเจอพอมีพอกินแล้วแต่ยังอยากจะได้มากๆอยากล่ามอยากโดย โดยถ้าไม่อยากรวยก็สามารถทำมาหากินแบบไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ได้อยากจะได้มากๆก็เลยเห็นว่าการอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันเป็นอาชีพที่หาเงินได้เร็วง่ายๆเขาก็ทำไปทำด้วยความโลภทำมาตายไปทำบาปด้วยความโลภตายไปก็ไปเป็นเปรต ความโลภทำให้อยากได้มากมากได้เท่ า, หาไหร่ก็ยังไม่อิ่มไม่พอได้มาเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ไม่พอมีความหิวความโลภนี้ก็คือความหิวดีพอตายไปก็หิวพราไม่มีบุญไม่ได้ทำบุญพวกที่ทำบุญนี่เขาจะไม่ค่อยหิวแล้วไม่ค่อยโลภเท่าเราก็ไปเป็นเทวดาเทวดา น, านี่เป็นพวกที่มี มีมีบุญมีความอิ่มใจสุขใจที่เกิดจากการทำบุญพวกที่สาที่ทำบาปเพราะความกลัวเธอกลัวนู่นกลัวนี่แล้วเลยต้องฆ่าเพื่อป้องกันชีวิตของตนเองอะไรต่างๆเหล่ า, านี้กลัวสัตว์อื่นจะมาทำร้ายเราแล้วก็ไปฆ่าเขาก่อน ถ้าทำบาปด้ยวยความกลัวก็เรียกว่าไปเป็นนูลกายแล้วพวกที่สี่ทำบาปด้ยวยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตทยาบาลพวกนี้ไปนรกจิตใจที่เครียดแค้นอาฆาตนี่มันร้อนมันร้อนเหมือนไฟนรกนี่คือเหตุของการไปเกิดในอบายอยู่ มีสี่สีเหตุด้วยกันทำบาปด้วยความไม่รู้ก็ไปเป็นเดราาัจฉานทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากได้ง่ายๆอยากได้เร็วๆก็จะทำบาปกันแทนที่จะทำอาชีพที่สุดจริตคืออาจจะไม่เป็นฆ่าคนอื่นก็ได้อาจจะบาบกพราไปโกงเขาไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปประพฤติผิดตัวเองี่นี่ก็เป็นบาปนบ ถ้าทำด้วยความโลภ ก, ก็เป็นเปรตทำด้วยความกลัวก็เป็นอ ส, สุรกายทำด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมอย่างเทวทัตมีจองเวรจองกรรมพระพุทธเจ้าพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งตายไปก็ต้องไปตกนรกโดยเฉพาะไปฆ่าพยายามจะฆ่าพระพุทธเจ้า ทำให้พระพุทธเจ้าพอเลือดอันนี้ถือว่าเป็นกรรมหนักคือการกระทำบาปต่อบุคคลที่มีพ่อคุณมากเนี่ยบาปเช่นทําบาปกับพ่อกับแม่นี่ก็ บ, บาปเท่ากับฆ่าพระอาหารหันต์ว่าพ่อแม่กับพระอาหารหันต์นี่เป็นเป็นคนที่มีพ่อคุณเท่าๆกับเท่าๆกันสําหรับเราพ่อแม่ของเราเนี่ท่านเปรียบ ว, ว่าเป็นเหมือนพระอาหารหันต์ของลู ก, ลก ถ้าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพออาาระอรหันต์นี่ท่านถือว่าเป็นกรรมหนักที่สุดพูดพูดัดใ จ, ใจ เ, เป่าเหมือนกันอยู่ที่อาจจะแยไงก็ถ้ามันมันไม่ผิดมันไม่ผิดศีลก็ไม่บาปถ้าไม่ได้พูดโกหกเพียงแต่ว่าอาจจะ ไม่ไม่สงสารไม่เมตตาพ่อแม่แพ่อแม่อาจจะรู้สึกหงดหงิดใจถ้ารู้ว่าเขาหงุดหงิใจถ้าเราจำเราถึงเราก็เหมือนกับเราขาดความเมตตา <c oughs> เรา <c oughs> ถ้าคนมีความเมตตาก็จะคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นแต่ผู้อะไรจะทําอะไรก็ต้องดูว่าพูดไปแล้วทําให้เขาเสียใจหรือเปล่าแต่ไม่จะเป็นความจริง พูดไปแล้วให้เขาเสียใจก็อยากพูดดีกว่าถ้าเราอยากจะรักษาน้าใจคนอยากจะให้คนอื่นต้ามีความสุขถ้าไหนดเดเกเลี้ยงได้ไม่พูดได้ก็อยากไปพูดกับพ่อแม่นี่ปกติท่านสอนว่าให้เราถือท่านเป็นเหมือนครูบาอาจารย์เป็นเหมือนพระเวลาพระเทศน์ี่เราไม่ไปตอบโต้ไม่ไปเถียง เวลาพ่อแม่พูดอะไรเราไม่ควรที่จะไปเถียงถึงแม้ท่านจะพูดผิดหรือถูกก็ฝังเรามีหน้าที่ฟังในฐานะที่เราเป็นลูกแต่จะทาตามหรือไม่ก็เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ถ้าสิ่งที่ท่านพูดสอนเป็นสิ่งที่ผิดเราไม่ทาตามก็ไม่เป็นไม่เสียหายอะไแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกที่ดีที่เป็นประโยชน์ถ้าเราทาตามเราก็จะได้ประโยชน์ ถ้าเราไม่ทำตามเราก็ไม่ได้ไประโยในเวลาเราอยู่กับพ่อแม่นี้เราต้องระมัดระวังถ้าเราคิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์ของเราเนี้เราก็จะจะปฏิบัติกับท่านนี้ได้ดีแต่ถ้าเราไม่ไม่คำนึงเราลืมไปบางทีเรามีอารมณ์อะไรอย่างนี้ก็จะอาจจะพูดไม่ดีหรือทำไม่ดีได้ ในบางทีเราก็มีความปรารถนาดีต่อพ่อแม่รับใช้ท่านเลี้ยงดูท่านท่านไม่สบายกอให้อยู่ให้ยาท่านในบางทีท่านอาจจะไม่อยากทําตามที่เราบอ ก, ก, อ ก, ก, อกแล้วก็อย่ากไปโกรธบางทีไปโกรธแล้วก็แปลว่าแม่ว่าพ่อว่าดือ้ออะไรอย่างเี้มันก็ไม่ถูกเรามีหน้าที่รับใช้พ่อแม่คือมีหน้าที่อ่ะช่วยเหลื ให้ยาให้อาหารก็ให้ไปส่วนเขาจะกินไม่กินก็ไม่ต้องไปบังคับเราเรามีหน้าที่รับใช้เป็นเหมือนขนรับใช้ถ้าเราบางทีเราลืมตัวเราไปทําตัวเป็นเหมือนพ่อเป็นแม่แทนเหมือนพ่อแม่เป็นเหมือนลูกก็ต้องคอยเอายามาให้กินเอาอาหารมาให้กินต้องคอยอาบน้ําให้อะไรให้บางทีเราก็มองพ่อแม่เป็นลูกไป แล้วก็อาจจะพูดดุด่าว่ากล่าวไปโดยไม่รู้สึกตัวอันนี้ก็เรื่องของของการกระทำของเราที่จะมีผลตามมาผลที่จะเกิดขึ้นมันก็มีสองสองลักษณะผลที่เกิดในปัจจุบันก็คือความรู้สึกภายในใจของเราถ้าเราทําดีใจเราก็จะมีความสุข ถ้าเราทาไม่ดีใจเราก็มีความทุกข์ไม่สบายใจแล้วเวลาตายไปทำดีเราก็จะได้ไปสุขติไปเป็นเทวดาไปเป็นในสวรรค์ชั้นต่างๆไปเป็นพรมไปเป็นพระอริยะเจ้าถ้าเราทำไม่ดีเราก็ไปเกิดในอบายทำบาป อันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมจะเชื่อหรือไม่เชื่อทำไปแล้วมันก็มีผลตามมาจะรู้หรือไม่รู้มันก็มีผลตามมาดัง น, นั้นการที่เราได้มีโอกาสมาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมนี้ถือว่ามันเป็นประโยชน์กับเราเหมือนกับเรียนรู้เรื่องกฎหมายถ้าเราไม่เรื่องกฎหมายเราจะได้ทำอะไรไม่ผิดกฎหมาย ท้าไมรู้บางทีก็ทำไปผิดกฎหมายแล้วโทษก็ตามมาอย่างชาวบ้านนี้บางทีเขาก็ไม่มีไม่มีโอกาสได้ศึกษาบางทีเรื่องกฎมุงกฎหมา ย, ยาต่างๆนี่เขาก็ไม่เคยรู้ทำผิดทำถูกพอทาผิดก็ถูกลงจับไปลงโทษได้แต่คนที่มีการศึกษาก็รู้ว่าทำอะไรผิดทำอะไรไม่ผิดเขาก็สามารถหลุดเลี่ยง าการกระทำผิดผลที่ไม่ดีก็จะไม่เกิดกับเขาโลกเราเนี่ยโชคดีได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมถ้าเราเชื่อแล้ว เ, เราปฏิบัติทำชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันแลนะอนาคตก็จะมีแต่สุขและเจริญขึ้นไปตามลำดับถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไปตามความรู้สึกของเรา วันไหนเราอยากจะทําดีเราก็ทําวันไหนอารมณ์ไม่ดีเราก็จะทาไม่ดีชีวิตของเราก็เลยสลับไปสลับมาบางวันก็มีสุขบางวันก็มีทุกข์ผลมันเกิดจากการกระทาของเราทั้งในปัจจุบันแนละผลที่เกิดผลที่เกิดจากการกระทาในอดีต เป็นเวลาที่เราพบกับผลที่ไม่ดีก็ขอให้เราทำใจว่ามันเป็นวิบากของเรามันเป็นการกระทำของเราเองซึ่งมันบางอย่างอาจจะเป็นการกระทำที่นานมาแล้วที่เราจำไม่ได้แต่มันยังไม่ส่งผลเพื่อมาส่งผลให้เราตอนนี้แล้วเช่นเดียวกับการที่ได้รับผลดี ก็ขอให้คิดว่าบางทีเราอยู่เฉยแล้วก็ได้รับผลขึ้นมาก็ขอให้ือว่าเป็นผลของที่เรากระทำไว้ในอดีตบางคนสับสนบางคนปัจจุบันทําดีแต่บรรับผลไม่ดีของอดีตก็เลยคิดว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีบางคนทําไม่ดีแต่ได้รับผลดีว่าเป็นผลดีที่เกิดจากการกระทำดีในอดีต ก็ลหลงคิดว่าทำไม่ดีก็ได้ดีทถ้าอย่างนี้ก็จะไปทาไม่ดีเพราะคิดว่าทำไม่ดีแล้วกลับได้ดิดได้ดีส่วนคนที่ทำดีแล้วกลับไม่ได้ดิดได้ดีก็ไม่อยากจะทำความดีนี่เราต้องมองว่าการกระทาของเรามันมีทั้งปัจจุบันและอดีตที่การกระทาในอดีตที่ยังไม่ส่งผลก็ยังมีอยู่ บางอย่างก็ส่งผลไปแล้วบางอย่างก็ยังไม่ส่งผลการประจับการทํา ง, งานปัจจุบันของเรามันยังไม่ส่งผลก็ได้มันเราปลูกต้นไม้วันนี้มันยังไม่ออกดอกออกผลอาจจะต้องรอเวลาสี่ห้าปีมันถึงจะออกดอกออกผลขึ้นมาอย่างพระเนี่ยก่จะออกดอกออกผลเนีใ่ใช้เวลาหลายสิบปีคูบาจารย์แต่ละรูปการที่เอามันเป็นที่ปรากฏรับรู้ ของญาติโยมของผู้ที่มีจิตศรัทธานี่ท่านก็ต้องเป็นพระเล็กพระน้อยมาก่อนศึกษาทรรมปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆก่อนกวาจะมามีคนรู้จักข่าวลบนะักถือก็บางที 4, 50, สี่หภพรรษาเข้าไปแล้วแต่ท่านไม่ได้วิจกกับเรื่องหลังนี้เพราะว่าอันนี้เป็นผลพลอยได้ ผลที่ผลหลักที่ท่านต้องการก็คือความรู้สึ์ในใจอันนี้สำคัญกว่าถ้าเราทำดีแล้วเรามีความสุขใจคนอื่นจะรู้หรือไม่คนอื่นเขาจะสนับสนุนเราให้รางวัลเราหรือไม่นี่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะสิ่งที่เขาให้เรานี้สู้กับสิ่งที่เราได้ในใจเราไม่ได้สิ่งที่เราได้ในใจนี่มันเหนือกว่าสิ่งต่างๆหลา งั้นถ้าเราทำบุญก็ดีทำบาปก็ดีขอให้เราดูผลที่ใจเราจะดีกว่าส่วนผลภายนอกเช่นทำบาบแล้วยังไม่ถูกเข้าจับข้อคุกเข้าตารางอันนี้อย่าไปสนใจมันมากนะดูที่ใจดีกว่าไม่ติดคุกแต่ใจมันร้อนใจมันไม่สบายมันร้ายยิ่งกว่าไปติดคุกเลยถ้าไปติดคุกมันก็จะได้หายหายกังวลหายหวาดตัว พอถูกจับแล้วไปติดคุกติดตารางมันก็ถึงแต่ว่าไปรอเวลาออกมาเท่นั้นเองเวลาอยู่นอกคุกยังไม่ถูกจับเนี่ยมันก็ยังวุ่นวายใจอยู่เรื่อยๆให้ดูดูผลที่ใจถ้าถ้าเราสังเกต ด, ดูมันจะมีผลตลอดเวลาผลของกรรมนี้เกิดขึ้นทันทีไม่ใช่ต้องรอชาติน้าหรือปีหน้าหรือห้าปีข้างหน้า อันนั้นมันเป็นผลผลภายนอกใจแต่ผลภายในใจนี้มันเกิดขึ้น ท, ทันทีอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านก็ตัดสัลุถึงพระนิพพานตั้งแต่ยังไม่ต่าวันเพ็ญเดือนหกนี่ที่ท่านนั่งใต้ต้นโพแล้วตัดสัลุท่านได้ถึงพระนิพพานแล้วใจของท่านถึงพระนิพพานแล้วแต่ เราไปคิดว่าท่านไปถึงวนนานิพาน์ตอนที่ท่านตายวันที่ท่านเสด็จดับขันตรลินิพันธ์หน่อความจริงนั้นเป็นเพียงแต่เป็นการแยกออกจากร่างกายไปใจแยกออกจากร่างกายไปอยู่คนละที่ใจอยู่ในโลกทิศดันั้นพวกเราทำบุญขนาดนี้วันนี้ตอนนี้ใจเราก็เป็นเทวดากันแล้ว ถ้าเราทำบุญทำทางรักษาถิ่นเราก็เป็นเทวดาแล้วถ้าเราไปทำบาปด้วยความโลกตอนนี้ล้วก็เป็นเปรตแลใจมันเป็นไปก่อนไงแล้วมันจะเป็นเต็นรูปแบบต่อเมื่อนั่งกายนี้มันมันตายไปแล้วเขาถึงมีคำพูดว่ากายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาก็มีใจเป็นเป็ตก็มีใจเป็นพระอริยะเจ้าม ตัวที่เป็นไม่ใช่ร่างกายตัวที่เป็นก็คือใจงั้นขอให้เราทําไปทําเพื่อใจของเราไม่ได้ทําเพื่อที่จะให้คนอื่นเขารู้ว่าเราทําดีแล้วให้ได้รับราวีรางวัลอย่างนี้ไม่ได้เป็นใช่ี่ี่พระมาครับนั่งไหนครับนั่งทางไหนได้เดี๋ยวไปรอที่ร้านก่อน หรืท่านยานั่งตรงไหนกันตายใจถ้านะบบเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่ก่อนหน่อรอให้เสร็จรับ<า>แขกย า, าตรงมาฟังเทนเลยไม่ได้หล้วเพราะเดี๋ยวมัน<อ>มันไม่มันไม่สะดวกเดี๋ยวค่อยเท่ที่หลังเดี๋ยวคุยนที่หลังนะครับครับรเอ อ, อทางนี้มีอะไรเปล่าอาจารย์คะเหมือนอยางในในสื่อท่านอาจารย์ค่ะคือว่าจิตคือร่างร่างกายแตกสลายได้แต่กาจิตที่มันไม่แตกสลาย ก็คือความรู้สึกของเราในปัจจุบันนี่มันจะหลุอกแลความรู้สึกความนึกคิดต่างๆเนี้ยตัวที่สั่งให้รยางอยู่ตลอดจิตจำึกมันก็อยู่อยู่เหมือนเดิมเุกอย่นิสัยตายก็ตายแต่ล้านนี้ที่ว่าไปอยู่ในโลกอยูในดาวังคารเพื่อรอรอในรอเกิดไม่ใช่ดาวังคารหรอกมันอยู่อีกโลกมันอ่อมัน พอมันไม่มีร่างกายนี้มันก็ไปรับผลบุญผลบาปบางทีมันก็ไปรับผลบุญโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายเช่นไปเป็นเทวดานี่ก็ไม่ต้องมีร่างกายหรือถ้าผลบาปก็ไปตกนรกนี้แต่ถ้ามีร่างกายก็ไปเป็นเดรัจฉานหรืกลับมาเกิดเป็นมนุษ ย, นย์แต่ใจก็ยังเหมือนเดิมอยู่ะ จ, จะกูะหรือบาปมันก็ เจ ต, ตัวนั้นอยู่จิตการนั้นอยู่แต่อย่างถ้าเราตายไปแล้วอย่างร่างกายเอาไปเผาหรือเราเอาร่างกายไรื้อฉา ม, มก็จะไม่รู้สึกเจปดอะไระไม่รู้สึกนะไม่เกี่ยวข้องกันนะเพราะมันแยกออกจากกันนะไม่มีการรับรู้มันก็ตายแล้วก็แล้วเราไปเกิดเราก็ลืมความทรงจําไปหมดบางคนบางคนจําจํามีความจําดีกันแล้วลึกชาติได้ ่คนส่วนใหญ่จะความจําไม่ดีความจําสั้นเมื่อวานนี้กินอะไรยังจําไม่ได้เลยใช่ไหมแก่แล้วด้วยแต่บางคนเขาความจําดีใครพูดอะไรไว้เมื่อกี่ปีมยังจําได้คนที่มีความจําดีเ้าเ ล, ล่นรสชาติได้ก็ส่วนใหญ่ที่มาเกิดใหม่ก็จะจําไม่ได้วันนี้เป็นอะไรอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเล่ก ไ, ได้เป็นร้อยชาติ พระเจ้าสิบชาติร้อยชาติท่านเอามาเล่าให้เราฟังพระเวชสันดรนี้ก็เป็นพระพุทธเจ้ากอนจำเรเป็นพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระเวชสันดรนี้ก่อนก็เป็นเทียนพระเตมีนี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าคืจิตดวงเดียวกันแต่ตอนนั้นไปเป็นพระเตมีเป็นพระเวชสันดรแต่ท่านไปเป็นพระมหาชนกจิตดวงนี้พอร่างกายนี้ตายไปก็ไปได้ร่างกายใหม่แล้ เป็นคนใหม่เปลี่ยนแต่ร่างกายเหมือนเราเหมันเราเป็นตัวละครเนี่ยเราคนเล่นละครเนี่ยเราเปลี่ยนบทเล่นหนังเรื่องนี้เขาก็ให้เป็นพระเอกเล่นในเรื่อง เ, เขาให้เป็นนะผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยเล่นไปตามบทที่ผู้กํากับเขาให้เล่นผู้กํากับของเราก็คือบุญกรรมนี่แหละเราทําบุญทํากรรมไว้เดี๋ยวบุญกรรมนี้ก็จะ บางคับให้เราไปเป็นเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเป็นเป็นเปบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นมนุษย์ก็บางทีก็เป็นคนรวยบ้างเป็นคนจนบ้างเป็นคนใหญ่บ้างคนเล็กบ้างแล้วแต่บุญกรรมที่ทำมาแต่ถ้าทำบุญอยู่อย่างเดียวไม่ทำกรรมหรือทำกรรมน้อยกว่าทำบุญเนี่ยบุญก็จะทำให้เรามาเกิดยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆพระทเจ้านี่ยสิบชาติเนี่ยท่าน พอดีเป็นสิบชาติที่ท่านบำเพ็ญบา ร, รมีสิบชนิดด้วยกันพอชาติสุดท้ายก็ได้มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วก็ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้จิตของท่านสะอาดแล้วไม่มีเชื้อของความอยากที่จะไปเกิดใหม่ท่านก็ไม่มีภพชาติอีกต่อไปไม่ต้องไปเกิด เพราะาการเกิดนี้ท่านพิจารณาว่ามันเป็นทุกข์เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะสูงจะต่ำมันต้องแก่เจ็บตายดืวยกันก า, าไม่กลับมาเกิดนี่ดีที่สุดการการทาบุญของพระเจ้านี่ก็พุ่งเป้าไปที่การไม่ไม่กลับมาเกิดแล้วในชาติสุดท้ายนี้ท่านก็ควรพบ สาเหตุของการที่ทําให้ท่านต้องกลับมาเกิด mm hmm. เหตุที่ทําให้กลับมาเกิดก็คือความอยาก mm hmm. ถ้าอยากแล้วมันอยู่เฉยๆไม่ได้ใช่ไหมชาสุดท้ายที่ถึงสิทธัตถะนี่อ่ mm hmm. ที่ไปนั่งใต้ต้นโพเนี่ย mm hmm. ที่บอกตัดสัู้้นี่ ย, ร, ยรู้อะไรก็รู้ว่าความอยากนี่ mm hmm. เป็นต้นเหตุที่ทําให้จิตนี้ต้องสแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ mm hmm. าการจะสแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ก็ต้องมีร่างกาย ใชพวกเราทุกคนเนี่ยยังมีความอยากกันใช่ไหมอยากดูอยากฟังออยากดูก็ต้องมีตาถึงจะดูได้อยากฟังก็ต้องมีหูจะมีหูมีตาก็ต้องมามีร่างกายก็ทําให้เรากลับมาเกิดเรื่อยๆถ้ายังมีความอยากแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้ตัดความอยากได้มันก็ไม่อยากดูไม่อยากฟัง เม่ไม่อยากดูไม่อยากฟังอะไรมันก็ไม่ต้องมีร่างกาย ไ, ได้แล้ว<ม>นะพอร่างกายของเจ้าชายสิทธทัตถะของพระพุทธเจ้านี้ตายไปจิตของท่านก็หยุดมไม่ไปหาร่างกายใหม่แล้ว<ม>พอแล้ว<ม>จิตที่ไม่มีความอยากนี่เป็นจิตที่อิ่มที่พองการที่จิตของเราไม่อิ่มไม่พอก็เพราะความอยากนี่<ม>พออยากปั้มมันก็ ต้องไปหามาแล้วในชะ่มัมนก็หิวแล้วแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้มันก็อิ่มขึ้นมันคือความรู้สึกในใจของพวกเราใจของเราทุกวันนี้มันอยากอยู่เรื่อยๆอยากมันก็เลยต้องไปนู่นมาเนี่ยอย่างโยมาที่นี่ก็เพราะความอยากในชะ่ไหมอ่าอ่าอย่างได้บุญใจของเั น, เ ป, นเป็นความอยากที่ดีเป็นความอยากที่จะพาไปสู่ความรู้ที่จะทำให้เราหยุดความอยากทั้งหมดได้ แต่ถ้าอยากไปเที่ยวอยากจะไปหาความสุขทางร่างกายเนี่ยจะเป็นความอยากแบบอยากยาเสพติดอยาก<อ>ได้เท่ า, า, หาไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมคนติดยาเสพติดนี้ต้องเสพไปเรื่อยๆคนที่ชอบเที่ยวก็ต้องเที่ยวไปเรื่อยๆคนที่อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะอะไรใช่ต า, ตาหูจะบุกลิ้นตายเนี่ยก็ต้องหาไปเรื่อยๆได้มาปับ๊บก็หมดไปแล้วใช่ไมเวลาไปเที่ยวมาก็ สุขพอกลับมาบ้านก็หายไปหมดแนละ้วอยากจะออกไปใหม่นะออกไปกี่ครัง้งหากี่ครัง้งมันก็หมดเหมือนคนเสพยาเสพติดเหมือนคนสูบบุหรี่เหมือนคนดื่มเหล้าเนะีน่ยเวลาดื่มเหล้าก็มีความสุขแล้วเดี๋ยวพร้อมมุดิดของเหล้าหมดแล้วก็หายไปหมดแนละ้วอยากต้องต้องกินใหม่แนละต้องดื่มใหมนะ่มนันวนา่องท้ายเรากลับมาเกลียดแกเจ็บตายอยู่เรื่อยๆเพราะความอยากนี่เอง ถ้าเราไม่อยากแล้วเราก็จะไม่ต้องใช้ร่างกายเมื่อไม่ต้องใช้ร่างกายก็ไม่ต้องมาเกิดจิตนี้อยู่ในโลกที่ไม่ต้องมีร่างกายก็มีความสุขได้อย่างถ้าเรามาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบเราก็มีความสุขเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายคนที่ก็มาบวชท่าน ม, มานก็อยู่กันได้เป็นอย่างผู้คนแบบ มีสัมผัสที่หกหรือสัมผัสที่เจ็ดที่เขาว่าคือว่าจะรู้สิ่งนี้ก็คือความทรงจําเมื่อชาติอันถดไปความทรงจําอย่างหนึ่งแล้วก็ความสามารถพิเศษของจิตอย่างที่พระพุทธเจ้าติดต่อกับแม่ได้เนี่ดวงวิญญาณอัวตายได้ก็<า>รเรียกพลังจิตเนี่ยพลังจิตจิตสามารถติดต่อกับจิตที่ไม่มีร่างกายได้พวกเรานี้ต้องติดต่อจิตกับที่ยังมีร่างกายอยู่ ยังเทพเทวดาอย่างเทพเทวดาใช่ไยังติดต่อกะถ้าเรามีพลังกิดเราก็ติดต่อเขาได้เรานั่งสมาธิเขาก็มาคุยกับเราได้บันทีไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ถ้าสมาธิเรามีพลังมากไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้อย่างหลวงปู่ชอบนี่ท่านท่านอยู then, nee ่เวลาอยู่ในป่าคนเดียวบางทีเทวดาก็มาหาท่านโดยที่ท่านไม่ต้องนั่งสมาธิ แต่สิทของท่านสงบจิตไมนต้องสงบแล้วก็ไม่ไม่รับรู้เรื่องของทางร่างกายมันก็จะรับรู้เรื่องของของของกายทิพย์ได้เพราะกายที่ย์มันมันละเอียดกว่าเรื่องราวของของกายหยาบจิตจะรับรู้เรื่องของกายทิพย์ได้จิตต้องสงบต้องละเอียดเข้าไปถึงจะรับได้เหมือนกับเปลเปี่ยนขึ้นอ่ะเหมือนเปลี่ยนกับขึ้นวิธีอ่ะ เปลี่ยนช่องจิตขา่าเราตอนนี้ใช้ช่องร่างกายเป็นสื่อสารถ้าเราอยากจะสื่อสารกับเทวดาเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนช่องทําจิตขอาเราให้สงบไม่ใชอย่างคนที่ผีเข้าอย่างนี้หรฮะอย่างพวกคนที่แบผีเข้าอะไรผีเข้านี่ส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของจิตเขาเองเ่จิตร้อนอจิตเขาร้อนจิตเขาไม่มีใครเข้ามาหรอกอืจิตมันเป็น ม, มันมันมันฟุ้งมันปรุงแต่งแล้วมันก็เชื่อไปตามความคิดปรุงแต่งจินตนาการของตัวเองอแต่หนูมีประสบการณ์อันหนึ่งคือพอดูก็ไม่ทราบผมจริงแท้แ น, น่หนคือแถวบ้านอ่ะมันมีคนถูกฆ่าตายทีนี้คนที่ฆ่าเ้าอ่ะคือน้องชายตัวเองที่แรกก็ไม่ไหว ค่าพีาพ่สาวก็าเองาตายไปแล้วนะ่ะคนในซอยเนี่ยก็คนที่ไม่รู้นะคะ ท, ที่อยู่ที่อื่นละมานก็จะเห็นเขาเห็นเขาอย่างเงี้ยแล้วบอมีคนใหม่เนี่ยเขาเข้าย้ายเ ข, ข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เขาก็มาเข้าที่หููว่าถี่นเช่าเนี่ยนะ่ะ วิญญาณเขาก็ต้องมาดีนี่นะแต่ว่าคนที่ย้ายมาเขาไม่รู้ประวัติเลยเขาไม่รู้จะไปซ้ำ บ, บ้านหลัง น, นี้หีือเปล่าทีนี้เวลาเขาพูดเวลาอะไรทุกอย่างคือคือเป็นคนคนตาเลยค่ะดูว่าเลยที่ว่าเอ๊ะนจะเป็นเรื่องจริงไหมแล้วยังลูกผัวเขานะคะคือคนคนเนี้เขาไม่รู้จักลูกผัวเขา แต่คนในซอยอ่ะรู้สึกว่าเข้ามาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ร่วมกันทำบุญให้เขาทงซอยก็จะร่วมกันทำบุญให้เขาแต่ว่าก็เราะลูกเขาก็มาสามีเขาก็มาแต่คนคนเนี้เขาเจอลูกกับสามีเขาครับนี่เขาร้องโหยร้องไห้แล้วก็เหมือนรู้จักกอดลูกเหมือนเหมือนแม่เขาเมื่อก่อนที่ตอนอยู่นึกเลยว่าเออมันมันก็อาจจะจริงได้ไหมฮะว่าคนคนเนี้เขา เขามีจิตที่ถูกผีเข้ามาอยู่ได้ก็แล้วแต่เราจะเชื่อไม่เชื่ออายมเชื่อมันก็เป็นไปได้ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่อยากเชื่อเนี่ยมันเพราะมันก็มันยังไม่มันไม่มีอะไรให้พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนถ้าเป็นเนข้อพิสูจ์ไม่ดถ้าเป็นเข้ามาจริงๆริงก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องไปเลยถือว่าฉันชื่อนั้นชื่อนี่ชื่ออะไรฉันตายไปแล้วฉันถูกคนนั้งฆ่าตาย พูดออกมาเลยเลออแต่เขาไม่พูดใช่ไหเนี่เราก็ไปแล้วก็ไปคิดกันเอาเองเพราะคนก็ถามว่ากําลังตามจับอยู่ว่าถามว่าเนี่ใครฆ่าเธอกันแน่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่พูดเอาแต่ร้องไห้แอดงว่าอาจจะไม่ใช่นะแต่แต่หลังแต่หลังตำรวจเขาก็พิสูจน์ได้จับได้เป็นน้องชายเขาฆ่าจริงๆเออ แต่ถ้าที่ปฏิบัตินาจะรู้ว่าจิตของแต่ละดวงนี่มันเข้าไปซ้อนกันไม่ได้เ ข, ข้าไปซ้อนกันไม่ได้เข้าไปซ้อนกันไม่ได้ถ้าร่างกายของใครก็ของมันจิตของใครก็มีร่างกายจิตดวงอื่นจะมาขอยืมใช้ร่างกายนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวเข้ามายืมใช้ร่างกายเราไปฆ่าคนอื่นได้ยนะอย่างไี้ <laughs> ใช่ ส, สัย อ, อันนี้ก็ให้รู้ไว้ใช่ว่ากันละกันคือว่ารู้ไว้ จะเชื่อหรือไม่เชื่ออยาเพิ่งไปให้พิสูจน์ก่อนถ้ายัางพิสูจน์ไม่ได้ก็ฟังหูไว้หูไปก็ให้คิดว่ามันไม่เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องรู้เลยไม่รู้เรื่องที่เราควรจะรู้ก็คือเนี่ยใจของเราเป็นยังไงตอ น, นี้ใจเรายังโลภยังโกรธยังหลงอยู่หรือเปล่าถ้ายังโลภโกรธหลงอยู่ก็หาวิธีทําให้มันหายว่า น, นี่รักษาให้หายได้ถ้าไม่จหายจากความโลภความโกรธความหลงได้ ความโลภโกรธหลงนี่ก็เป็นเหมือเชื้อโลกในร่างกายเราพอเราที่เป็นโรคจิตเนี่ยก็เกิดจากความโลภโกรธหลงนี่คนโลภมากๆอยากได้มากๆพอไม่ได้ก็เสียใจเป็นบ้าไปแค่นั้นแล้วเนโรคจิตไปแล้วคนกลัวมากๆก็ก็เป็นโรคจิตไปโลคกลัวโรกลัวก็อยากความโลภอ่ยอยากจะให้ทุกอย่างดีพออะนิดอะไรหน่อยไม่ดีก็กลัวขึ้นมา ถ้าไม่ควบคุมตัวนี้มันก็จะทาให้เราเป็นโรคจิตไปได้ัน้นวิธีที่จะควบคุมโรคจิตของอ เ, เราก็คือเนี่ยทำทานรักษาสีภาวนาไปนิยาของพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมโอสถอยารักษาโรคจิตทาบุญทำทานรักษาสีแล้วก็ภาวนา แล้วมันจะทำให้เราสามารถควบคุมความโลภความโกรธความหลงของเราได้ความโลภ ก, ก, ก, ก็เกิดจากความหลงความหลง ก, ก็เกิดไม่รู้ความจริงต่างๆอย่างที่เรามาคุยกันสงสัยว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แสดงว่ายังไม่รู้ยังหลงอยู่วิธีแก้ความหลง ก, ก็คือต้องมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า การฟังเทศฟังธรรมนี่มีอ น, นิสงฆ์ทำให้เรากำจัดความสงสัยได้ทำให้เรารู้สิ่งที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไรแล้วถ้าจะให้มันชัดเจนกว่านี้ก็เอาไปพิสูจน์ได้เราเอาไปปฏิบัติได้พอนนเราปฏิบัติแล้วเราก็จะเข้าใจฮะ ยากใจอะไรห่าไกลอ้อมันยากพวกเราไม่เคยใช่ไหมไม่เคยจริงยังไม่รู้เพหมือนเหมือนเหมือนยมเคยถนัดมือขวาเราต้องหันมาใช้มือซ้ายเนมันก็รู้สึกยากแต่ถ้าทาไปเรื่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ง่ายมันไม่เคยนิ่งก็ทาน้อยจิตมันยังไม่เคยทำต้งเลยนัอนสิกใจาหมอนได้ไเลยมันไปไหนก็ไม่รู้ ไม่ทำแนะมันไม่ทำแล้ว ม, ม, มันจะให้มันนิ่งได้ไงอันนี้ถ้าทำไปเรื่อยๆมันจะพัฒนาพัฒนาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็กริ่มต้นจากจุดที่เราร่วมเตินกันทั้งนั้นแนหะพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าเลยทนะี่ไห่าก็ต้องมาพัฒนาเนี่ยมามาเปิดัจในอดีตพระพุทธเจ้าก็อาจจะเคยเจอพระพุทธเจ้าองค์ก่อน huh. แล้วก็ได้ยินได้ฟังคำสอน ให้ศึกษาก็เอามาหัดปฏิบัติทําไปเท่าเล็กเท่าน้อยหลายภพหลายชาติมันก็สะสมไปเรื่อยๆอ ค, ครัอาจารย์คะความสงบที่เกิดจากการภาวนาเราควจะสามารถทําให้เกิดความสงบได้ต่อเอ น, อนื่องในการปฏัติเราเองจะติดว่ า, วาพอใช้ได้เพียงพอต่อการใช้กันญาไก็คือความสงบนี้ เราก็ต้องพยายามประครับประคองให้มันอยู่ไปให้มันต่อเนื่องไปเลยทั้งวันทั้งคืนคือพอเราจะสมาธิมาเราก็รักษามันด้วยสติต่อพุทโธไปต่ออย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องราวต่างๆเราไม่ไปคิดว่าเดี๋ยวมันจะฟุ้งขึ้นมาแล้วคางสนบก็จะหายไป้าเราปฏิบัติขั้นสมาธินี้ต้องมีสติคอยคุม ความิตอยู่เรื่อยๆใช้พุทโธพุทโธไปเ อ, อาใจสมาธิมาก็พุทโธต่อแล้วพอพอเดินพอหายเมื่อยนะจากการนั่งแล้วก็ออกมาเดินพอหายหายเมื่อยแล้วก็กลับไปนั่งพยายามนั่งวันละหลายหายรอบให้มันเข้าไปเรื่อยๆให้มันเข้าไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะมันจะติดกันเป็นพืชไปเหมือนเราเอาของเอา อของมามาต่อกันมาต่อกันสมาี่มันเป็นช่วงๆเนี่ยถ้าเราทำบ่อยๆมันก็มาต่อกันต่อกันต่อมาต่อไปมันก็จะติดเป็นเป็นอันเดียวกันไปนเลยถ้ามันเป็นอันเดียวกันแล้วทีนี้มันก็พร้อมที่จะออกไปพิจารณาทางปัญญาเพราะการพิจารณาปัญญานี้ต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องพิจารณาแบบให้มันเห็นชัดเจนอยู่กับ ใจเราตลอดเวลาถ้าเราไม่มีสมาธิเราไม่พิจารณาเนี่ยมันจะเดี๋ยวจะหยุดมันจะไปคิดเรื่องอืงง่นแทนพอเรื่องที่เราต้องการเห็นมันก็จะไม่เห็นเช่นความตายเนี่ยเราไม่เห็นตลอดเวลาวันหนึ่งเราเห็นสักกี่ครั้งกันความตายเนี่ยวันนี้เห็นเมีอย่างความตายของเราเนี่ยมันต้องเห็นตลอดเวลาเลยไม่ไม่ลืมเลยพูดงา่ายๆไม่ลืมแล้วว่าต้องตายต้องตาย อะไรเนงะี่ยทาไมไม่เห็นเวลาคือทางข้าวคุณเห็นเงินไหมเวลาคิดถึงเงินในธนาคารคุณนะมัน อ, อยู่ที่ายคนเะนี่ยถ้าคุณคิดตั้ไปเห็นอะไรที่คุณไม่คิดมันอะไรคิดแต่มันอยู่ในธนาคารอย่างเดียวคิดถึงเศรษฐกิจขึ้นลงนี้มันไม่ไอคิดเรื่องที่คนจะคิดเราไม่คิดกันเนียใช่ไหมเวลาคิดถึงแฟนเนี่ยทําอะไรก็เห็นแฟนไปตลอดเวลา ทำงานก็เห็นแฟนอกินข้าวก็เห็นแฟนนอนหลับก็เห็นแฟนเวลาเวลาหลงใหลแฟนคิดถึงแฟนตลอดเวลาเลยอ่าเนี่ยแหละลถ้ามันไม่มีสมาธิจิตไม่ยอมคิดอย่างกิเลสมันไม่ยอมไม่เราคิดกิดเลสมันจะต่อต้านมันจะสร้างอารมณ์ไม่ดีให้เกิดขึ้นพอคิดถึงความตายครับนี่ก็อารมณ์รู้สึกท้อแท้เบื่อนายหรือ เกิหดหูใจขึ้นมามันก็เลยคิดไม่ได้เพราะมันไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิอารมณ์เหล่านี้มันจะถูกกันเไว้เหมือนหมอที่ต้องฉีดยาชาให้คนไข้อย่างเงี้ยเวลาจะถอนฟันเนี่ยต้องฉีดยาชาก่อนแล้วถึงจะถอนได้สมาธินี่ก็เป็นเหมือนยาชาเหมือยาชาที่จะให้จิตนีสามารถมองสิ่งที่จิตไม่ไม่อยากมองได้จิตไม่ชอบมองความตายันไม่ชอบมองความแก่ความเจ็บก มันก็เลยเดิมลงไปพอเดิมมันก็เลยอยากจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไนพอเห็นความแก่ปั๊บก็ตกใจกลัวขึ้นมาเห็นผมขาวขึ้นมาเช่นหนึ่งก็กลัวละ <c oughs> เห็นหนังเ ล, ลื่อมมีรอยยื่นหน่อยก็แล้วถ้าพิจารณามรณะไมสติแล้วก็แต่บางช่วงเราก็เคยพิจารณาการสาธิตแบบนี้ <c oughs> คือเอามันเป็นเรื่องๆออ่าเอามันเป <c oughs> ็นเร <c oughs> ื่องๆไปดีกว่า ก็ได้ถ้ามันถ้ามันเบื่อเรื่องนี้ถ้าเรไปเจ็บก็ได้แต่ในที่สุดเราต้องให้มันมันเสร็จเป็นเรื่องๆไปต้องจัดการกับเรื่องความแฉะให้ได้จัดการกับเรื่องความเจ็บให้ได้จัดการกับเรื่องความตายให้ได้จัดการเรื่องอสุภะหนึ่ยถ้าดูอาการทางที่สองก็ดูเรื่องอสุภะด้วยารกาจัดความความความอยากในกาม มันเป็นเป็นข้อสอบแต่ละข้อที่เราต้องทำเน้นจะจะทําทีละหลายข้อทํากันบ้างทีละหลายข้อก็ได้มันก็จะเวลามันก็จะยาวออกไปแต่ถ้าเราข้อไหนข้อหนึ่งเช่นเรากลัวตายเอาปัญหาเรื่องความตายให้มันหมดไปได้พิจารณาความตายอยู่เรื่อยจนกระทั่งมันมันยอมรับมันก็จะหายกลัวพิจารณาความแก่อยู่เรื่อยต่อไปมันก็ยอมรับมันก็จะหายกลัวความแก่ ยอมเจ็บยอมแก่ผมขาวก็ไม่ไปยอมมันหนังเหี่ยวก็ปลยมันเหี่ยวไปตายก็ยอมตายไปหมอบอกเป็นมะเร็งเป็นก็เป็นไว้สามเดือนอ่ะสามเดือนก็สามเดือนเวทนะ า, นะานก็ซ้อมๆไงถ้ากลัวความเจ็บก็ต้องนั่งให้มันเจ็บแล้วก็สอนใจให้อยู่กับความเจ็ บ, จบอย่าไปหนีความเจ็บอย่าไปอยากให้ความเจ็บหาย แล้วความทุกข์็จะไม่มีที่เราทนไม่ได้ไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายแต่ความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไปถ้าเราไม่มีความอยากให้ความเจ็บหายไปเราจะไม่ทุกข์ใจเมื่อไม่ทุกข์ใจความเจ็บของร่างกายจะไม่เป็นปัญหาเลยจะอยู่กันมันได้ถ้าสมัยเราย้อมก่ัให้ดูดีนะว่าตรงนี้เราก็ยังไม่ถามใช่ไ เอ้มันดูดีทำไมทำไมต้องดูดีด้วยมันอยู่ที่รสนิยมถ้าเกิดเขามานิยมผมขาวขึ้นพวกผมผมดำอาจจะต้องมาย้อมขาวก็ได้ใช่ไหมตอนนี้มันย้อมสีก็หลายสีเนี่ยใช่ไหมสีแดงก็มีสีฟ้าก็มีเนี่ยสีเขียวก็มีมันอยู่ที่รสนิยมพอดีพวกเราไม่นิยมสีขาวกันเพราะสีขาวอะไรก็ต้องย้อมทับเหมือนกัน มันท่านท่านไม่ท่านอาจจะยอมก็ได้ไม่ย้อมก็ได้แต่ใจคนท่านไม่เดือดร้อนอา่อาแต่เมื่อไม่เดือดร้อนก็อย่ยอมยอมัเสียเวลาทำไมใช่ไหมนอกจากต้องไปเล่นละครนี้เขาว่าเออผมผมขาวนี้ไปไปที่นี่ไม่ได้ถ้าเราไปที่นี่ต้องผมดำอย่างนี้ก็้า จ, จะต้องย้อมก็ได้หรืออาจจะซื้อวิกปรใสก็ได้ แต่ถ้าไม่ได้ทําด้วยด้วยใจใจท่านไม่ไ ม, ไม่ไม่เดือดร้อนขาวก็ได้ดําก็ได้แต่บางทีอยู่ในสังคมบางทีก็บังคับว่าต้องอต้องย้อมหรืออะไรก็ว่าไม่อยากแต่ไม่ได้ทำด้วยความอยากอ๋อเขาก็วิ วิตกวิจารงก็คือติกกะระจองเลยที่เวลาเราบริกรรมพุโทโธนี่ก็เรียกวิกกรองเนี่ยติด ก, ก็คือนึกถึงพุโทโธแล้วพอเราบริกรรมก็จองไปพุโทโธพุโทโธไปนี่ก็เรียกวิกกรองจิตยังทํางานอยู่จิตยังปรุงแต่งอย่างนั้มันติดรองในในในในอารมณ์เดียวอารมณ์ของกรรมฐานเช่นดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยดูลมก็รู้สึกแล้วพอรู้ว่าเข้าก็เลยจองแล้ว รู้ว่าสั้นรู้ว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการจองการดูลมก็เรียกว่าตก ว, วิตกวิจารณแต่ว่าไม่ใช่วิจารณ์แบบที่เราคิดไม่ใชว่วิตกแบบภาษาไทยกนะ็ยังไหมภาษาไทยมันแบบโอ้กังวลเรื่องห่วงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็วิพาษ์วิจารณ์ว่าใครเป็นคนปลาระเบิดใครเป็นอะไรอันนั้นมันเป็นทางโลกแต่ทางธรรมนี้วิตกวิจารณก็คืออยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องกล่อมใจเบ็ดอง พุโทโธพุโทโธนี่ก็แสดงว่าเราต้องติดตรองอยู่กับพุโทโธถ้าดูลมหายใจเข้าออกก็กำลังติดตรองอยู่ต่อลมหายใจท่านั่นเองคือใจให้มันอยู่อารมณ์เดียวแล้วต่อไปติดตรองมันก็จะหายไปจิตมันสงบเมื่อเข้าไปไติดตรองก็จะหายไปเดี๋ยวมันก็ใช้เข้าไปในอุเบกขาแล้วแต่อุเบกขาอย่างเดียวก่อนจะผ่านอุเบกขาก่อยจะถึงอุเบกขาก็มีปิติ มีสุขขึ้นมาก่อนแล้วมันก็จะค่อยๆหายไปทีละอันทีละอันแล้วพอเข้าฌานสีมันก็จะเหลือแต่อุเบกขาอย่างเี้จิตมันเข้าสู่ความสงบเต็มที่มันก็ปล่อยการเกิดการจองปล่อยลมปล่อยพุโธทีการปล่อยมันปล่อยส่วนใหญ่มันจะปล่อยแบบพุนกระทานหันเนี่ยบุ๊ลงไปตกหนุมตกบ่อตรงเหวแล้วก็นิ่ง นง่ถามว่าใจยังจิตพระพุทธเจ้าพระราหัเจ้านะครับจิตท่านเนี่ยมีผู้รู้ก็มีสัญญาสังขารวิญญาณอยู่แต่ว่าท่านไม่ยึดมั่นถึงมั่นอย่างนี้คือท่านไม่มีความโลภกอดลงแลวแต่จะมีมีมีวิญญาณมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันแต่ท่านไม่โลภไม่กดไม่หลงกับอะไรเวทนามนเวทนานีจิตนี่ไรัท่านเวทนาก็เวทนาทางกายทางจิต สังจิตมันจะไม่มีเพราะเวลาทางจิตมันเกิดจากความโลภโกรธลงแต่เามื่อท่านบรรลุเหมนท่านล่าสังขารแล้วก็ท่านก็จะมีแต่ผูอรู<ค>้ ก, กับสัญญาสังขารแต่สัญญาสังขารก็อญญาจจะไม่ทํางานก็ได้เป็นเวลาเข้าไปในสมาธิเหมืออย่างนั้นเหมือนอุเบกขาเนี่ยจะไม่ทํำงาอบางทีมีชีวิตอยู่มีร่างกายอยู่ก็เป็นอุเบกขาได้ เพรตัวที่ทําให้จิตมันไม่เป็นอุเบกขาก็คือตันหาความอยากเรามีตันหาก็นิ่งอยู่ไม่เป็นสุขใช่ไหมอยู่เฉยไม่ได้นะแต่คนที่ไม่มีอุเบกไม่มีตันหาเขาก็อยู่เฉยได้ไม่จะมีสัญญาที่มาท่านก็ไม่เฉยแล้วก็เปสัญญาที่เป็นธรรมอย่างนี้ทเป็นธรรมแล้วไม่เป็นธรรมท่านก็ท่านก็รู้ทันหมดแต่สัญญาที่เป็นกิริสนี่จะยังมีอยู่นะครับท่าน หรืไม่มีเลยงานที่คุณคิดว่าจะมาทาให้ต้องไม่มีเลยครับคือมันจะไปนึกแล้วแต่สัญญาเขามันจะไปไปทางไหนจะจิตรู้ทันมันปล่อยวางปล่อยวางสลัดออกนะเพื่อไม่หลงตา ม, มเป็นสัญญาเห็นคนนี้หน้าตาดีเพราะนั้นแต่มันก็ไม่เกิดตันหาความอยากขึ้นมาเพราะมันมีสัญญาตัวตามมามาลบทันทีมันจะมี อ, อสุภัสสัญญาตามมา มันมีตัวแก้มันเคยแก้กันมาตลอดเวลาในเรื่องทีก่ก่อนปฏิบัติอย่างเช่นเราก่อนปฏิบัติเราเคยเหนคนนี่สวยแต่เมื่อเราขึ้นมาบ่อยเป็นอาสุภาพแล้วเนี่ยแม้ว่าครั้งแรกเยเนี่ยแต่าาว่าสวยจะมีว่าไม่สวยจริงๆก็ไม่สวยแะข้างในไม่สวยไม่สะอาอะไรนี่ก็จะตามแล้วก็เป็นการได้จิตก็เป็นการก็คุ ย, คยกันธรรมดาได้ก็เหมือนกันเป็นกับผ อเมื่อก่อเราเห็นเพียงข้างเดียวครึ่งเดียวเราก็เลยหลงเราเห็นสองด้านก็เลยไม่หลงเฉยด้านสวยก็เห็นด้านไม่สวยก็เห็นแล้วอย่างในอริยสัจ ส, สี่นะครับทุกคนกาหนดรู้เนีย่ยมนทั้งทุกกายและทุกใจนะฮจาเมีบทสวดว่าชาติกิทุกขาชะาโกอริเทวาทุกขาท่นั้นเนี่ย คือให้รู้ให้ว่าอะไรเป็นทุกข์คาว่าให้กําหนิดรู้หือว่าอะไรเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์หรือเปล่าพวกเรายังไม่รู้ว่าเป็นทุกข์กันเลยเกิดมาคิดว่าเป็นสุขกันใช่ไหมเลี้ยงฉลองกันใหญ่ฉลองวันเกิดกันเนี่ยเพราะไม่เห็นว่าเป็นทุกข์แกก็ไม่ไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ฉลองครับเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เห็นอาจเจบไข้ได้ป่วยจะเห็นก็ได้แต่ไม่ยอมมองกันไม่ยอมคิดกัน พยายามปฏิเสธพยายามไม่ไม่อยากจะให้มันมีเกิดขึ้นท่นางทัดภาคยอยากกันก็ไม่ยอมคิดถึงกันใช่ไหม <c oughs> คิดแล้วมันทุกข์ก็เลยไม่อยากจะคิดกันอันนี้มันเป็นเรื่องของมันเป็นตัวเป็นเป็นทุกข์เลยถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีปัญหาเรามีทุกข์เราก็ไม่รู้จะไปแก้มันยังไงเ <c oughs> หมือนกับเวลาคุณไม่สบายเนี่ยมันคุณรู้ว่ามันทุกข์ใช่ ก็ต้องไปหาหมอใช่มคเพื่อจะได้รักษาให้มันหายถ้าเราดูทุกบ่อยๆเราก็จะรู้ว่า อ, อันนี้เป็นปัญหาเนะเราต้องหาวิธีแก้มันและวิธีแก้ก็คือต้องไปหาสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องทุกข์กับมันแล้วจะทำไงไม่ให้เราอยากับมันเราก็ต้องความจริงมายืนยันยอมรับความจริงว่า เพราะว่า <Okay. S 2> พอเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็อย่า ก, กลับมาก็อย่ามาเกิดเท่านี้ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องหยุดความอยากการจะหยุดความอยากก็ต้องปฏิบัติธรรมทั้งทำทานรักษาศีลภาวนามันก็จะได้มันก็จะมันก็จะได้เหมือนกับว่าเวลาเราไม่สบายเราก็ต้องไปหาหมอ การไปหาหมอก็คือการไปหาพระรพุทธเจ้าเนี่พอไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกอยากจะหายจากรูทุกข์ทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายก็ก็เอาไปทำทานไปรักษาศีลในภาวนาแล้วก็เดี๋ยวก็จะหายมีใครอยาก็ถามอะไรไหมทางนี้ โยมเคยทําเรื่องผิดพลาดนะคะตอนในรุ่นค่ะรุ่นน้องไปทําแทนแล้วพอมีครอบครัวมามีลูกมาเกิดเขาบอกให้ฝันก็าเขาบอกให้เขียนว่ามอละนะแล้วมันมีเหตุให้ทําให้ตื่นและไม่เขียนนะคะท่าใจแล้วตลอดเวลาที่มีเขามามันทําแต่เรื่องทุกแบบตลอดเลยค่ะมันเหมือนกับโแบบยมจะเจอหลายๆรอบที่แบบว่าเข้าใจเรื่องกรรมว่า บางครั้งก็ชดใช้กันทําไว้แล้วก็ชดใช้เข้าใจว่าชดใช้อค่ะตลอดเวลาก็แบบมีความสึกว่านมื่อจะหมดเสียทีตั้งใจทําให้เป็นที่แล้วก็ยังไม่ไม่ไม่จบเสียทีค่ะเขายังไม่หยุดที่จะทําเรื่องทุกใจให้เราตลอดเวลามันยังไม่หมดก็ต้องใช้ต่อไปอะจะพอมีข้างเรืองให้หมดไวๆจะอ๋อหมดไวๆก็คืออย่าไปทุกข์กับมันไง มันจะมันจะยาวจะสั้นถ้าเราไม่ไปหยากให้มันหมดเราก็จะไม่ทุกขอ์ออกมาปัญหาปัญหาไม่ได้อยู่ที่ยาวที่สั้นปัญหาอยู่ที่ความอยากของเราอยากให้มันหมดเร็วๆเมื่อมันยังไม่หมดเราก็ยังทุกข์อยู่ก็เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะเมตตาแล้วก็ทดใช้นะคะแต่แบบการจัด <c oughs> นานใจไม่จบสักทีทำยังไงได้มันจะนานจะช้ามันก็เป็นเรื่องของขอ ง, องมันเยยงก็ยังไัยรุ่นเนาะเพื่อนทุกน้องทุกก็เอาสมหูร่วมคิดกันทางไปอ่ะมันอาจจะไม่เป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวก็ได้มันอาจจะมีหลายเรื่อง <c oughs> อจะสมกันมาอยู่อันนี้เท่าที่ทราบเท่าที่เราจําได้ฉันเนีไอ้ที่เราไอ้ที่เราไม่รู้ที่จําไม่ได้มันอาจจะมีเนี้แยะไปนานหูสงสารเพราะว่าสงสารนะคุ ก็พยายามทำบุญไปแล้วอย่าไปทำบาปเพิ่มก็แล้วกันต่อไปบาปที่ทำมามันก็จะค่อยๆหมดไปเองแล้วต่อไปก็จะเหลือแต่บุญมันก็จะส่งแต่ผลบุญให้กับเราไจขณะพระพุทธเจ้ายังไม่บวชยังไม่หมดบาปั้นก็ยังมีเทวทัตมาจองร่างจองฐานเปิดดูอยู่นะคะเปิดดูทุกทวนทุกเช้าก็ฟังเทศน์ท่านจาร่ก็ยังรู้สึกว่าพ อ, อๆว่าเราก็ทาน้อยไปไหคะชดใช คือเราเราอยากได้สิ่งที่ดีโดยที่ไม่มไม่ลงทุนไงเราอยากจะได้ผลดีแต่เราไม่ยอมทำดีเราไปทาบาปก็ยัง้องใช้ก็หปุดพยายามช่ไหนนะคะเราพยายามทำใจเป็นอูเบคายอมรับกรรมไปมันจะมากแต่น้อยก็ถือว่ามันเป็นเป็นผลของการกระทาของเราก็แล้วกัน อ, อ, อ, อ, อย่าไปอยากให้มันหมด เพราะความอยากจะทำให้เราเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาโดยใช่เหตุถ้าเรายอมรับกับมขเราแล้วเราก็จะไม่ทุกข์มมีใครถามราจะให้พรก่อนนะใครอยากจะกลับบ้านไปไหน <c oughs> ยาทาวาวาหาปุราปาริกุเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตชิน so ังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัเพปเริงตุสังกปาจันโทปนะวะโสยทามนิโชติระโสยทาสพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสสตุ มาเตผวะตวันตาลาโยสุขีทีคายุโกภาวะอะพิวาธนศิริษะนิจังวุธาปัจายโนจัตตารโธรรมาวทานติอายุวโนสุขังภาลาังใครไม่ได้ใครอยากได้หนิ้งสือซีดีก็เชิญหยิบเอานะมาอยู่กี่วัน พยายามฝึกนฝึกจะติดไปแล้วต่อไปก็จะนั่งได้ก็มาฟังธรรมนะอ๋อแ่จบไปแล้วอ๋ออ๋อใช่ใช่ไปกิจริงทำดีได้ดีทำบุญละบาปนะจะทำอะไรก็ตามขอให้ทำบุญละบาปไปเรื่อยๆ อย่าไปผิดศีนห้าแล้วก็ทำบุญไปตามโอกาสตามความสามารถทำมากก็ทำไปทำน้อยก็ทำไปทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยอแล้วคนเพื่อนเพื่อนเขาสนใจธรรมะท่านอาจารย์นะแต่เขาก็ยังไม่ค่อยทำฐานเท่าไหร่นี้ก็จะกล้าหน้าเป้ยาก็ไม่กล้า เ, เพราะมันการกล้าต้องเกิดที่การกระทำาการสนใจธรรมะยังไม่ไม่พอเพียง เป็นเหมือสนใจอ่านอ่านดูแผนที่แต่ยังไม่ออกเดินทางดูแผนที่แต่ไม่ยอมออกจากบ้านยังอยู่ที่บ้านมันก็มันก็เห็นแต่แผนที่ถ้าอยากจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่แผนที่ชี้บอกก็ต้องออกเดินทางยังไงก็ต้องมีทางไว้ก่อนต้องทําทางก่อนเพราะว่าทางนี้เป็นเหมือนตัวที่คอยให้เราได้ออกจากออกออ ก, ออกจาก การกระทําต่างๆที่ไม่ดีแล้วมากระทําในสิ่งที่ดีอเพราะถ้าเรามีเงินแล้วเงานว่าจะไปเที่ยวกั น, นนะใช่ไหมเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทําทานแทนจะได้ไปอยู่วัดละไปอยู่วัดกันนะไปปฏิบัติธรรมที่วัดกันยังต้องทําทานก่อนอถ้ามีเงินเงีนเยอะๆมันจะไปเที่ยวไปแน่นกันไปซื้อข้าวซื้อของ อะไรต่างๆ ม, ม, มันก็จะไม่สามารถมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมไดม้ถ้าเอาเงินมาทาบุญทำทานเี๋ยมันก็จะรักษาศีลได้<ม>านาได้ีเราอางินเดี๋ยวนี้เราเอางินมาวัดเนี่ยมาทบุญ<ม>เดี๋ยวเราก็รักษาศีลได<ม>ล้เดี๋ยวเรากามาได้<ม>ต้เริ่ต้นจก น อ, อกจากว่าถ้าเราไม่มีเงินแล้วก็ไม่ต้องอถ้าไม่มีเงินมันก็ต้องเข้าวัดอยู่ดีนะ <c oughs> มันไม่ไปเที่ยวไม่นานก็ไปวัดเอสังเกตว่านน <c oughs> วคนที่เข้าวัดทุกอย่างไม่มีตังค์เลยใช่ไหมห <c oughs> มเนื้อหมดตัว <c oughs> <c oughs> อะไรอย่างนั้นก็ไปอาศัยวัดมันไม่เสร็จนี่สมเลยก็ ถ้าไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ไปเพื่อจะไปอาศัยอยู่อาศัยกินไปเพื่อไปศึกษา <c oughs> ปฏิบัติมันก็ต้องมีบ้างแหละเงินทําบุญถ้านา้ำค่าไฟร้อยบาทสองร้อยมันยังไม่มีเหีวยนะอืแต่ถ้าไม่มีจริง ๆ, <c oughs> ๆก็ไม่เป็นไรยอย่างพาดที่มาบวช น, นี่ก็มาสายวัดอยู่เท้านั้นเนะี่มเรามาบวช น, นี่เราก็ไม่มีเงินมาทําบุญถวัตถเท่าไหร่แตะเห็นท่านอาจาจาเรินบอกต้องปฏิบัติให้ได้วันหลายชั่วโมงถึงจะ ไม่ติดนิสสงมันพูดแคการพวดเราคิดเกียดอย่การจะมาจะมามาอาศัยวัดกินอยู่อายุวัดก็ต้องปฏิบัติให้สุดๆเลยอย่างน้อก็ต้องปฏิบัติตามกฎตามกติกาของวัดถ้าอยากจะใช้นิสสงก็ไปล้างซ่วมทำความสะอาดช่วยกวาดทำความดูแลรักษาวัดให้สะอาดก็เป็นการใช้นิสสงไาในตัว ใช่ไปล้างถ้วยน้ำชาในในโรงครัวนี่ก็เป็นการใช้นี่สมอืมอืมอาจารย์แล้วถ้าคนเราสมมีกรรมมาด้วยกันแต่ว่าถ้าเกิดเราก็ไม่อยากจะใช้กรรมเราออกไปจากที่นั้นมันจะหรือว่ามันยากกันอยู่ไงแ ย, ยกกับเป็นคนละทางถ้ามันกรรมแรงเดี๋ยวมันก็กลับมาเจอกัน อ, อี้อัอนนี้ไม่พ้นออต้องทําใจอย่างเดียวออื แยากได้ก็แยากไปถ้าอยากไม่ได้ก็ต้องทําใจายอยู่ไปจนกว่ามันจะหมดกรรมเหมืนมอนผลไม้จนกว่ามันจะหลุดออกจากขั้วมันยังก็ตกลงมาออืถ้ามันยังติดอยู่ก็ต้องเต็ดกันไปอ๋อมันอยู่ที่กำแรงมันก็ดึงกลับเข้ามาก็เวลาเจอมันก็ให้ทําใจ ทำใจเฉยๆหรือว่าเป็นกรรมอย่างนี้ลมพัดก็เฉยๆกันอย่างนี้ให้มันพัดไปไม่ต้องไปต่อต้านการต่อต้านทําให้เราทรมานขึ้นมาถ้าเราไม่ต่อต้านเราจะเฉยๆจะไม่เดือดร้อนอยู่เข้าไปมันจะดีก็จะช่วยเราของเขารักษาใจะเราแล้วรักษาใจเราให้เฉยๆอย่าไปสร้างเวสร้างกรรมใหม่อยวาไปพูด อยู่นิ่งๆแต่เขาก็นิ่งเงตบมือสองข้างตบมีอข้างเดียวไม่ดังพอจะตกก็ปก็ตกไปแล้วไม่ทำบุโต่เดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเองถ้าเราต้องตายก็ยอมตายเกิดมาแล้วต้องตายอยู่ดีไม่ช้าก็เลยว่าต้องตาย จะได้หมดกรรมเยอ่าได้ดกเลยอกกรานะท่านก็ท่านก็ยอนตายอืมท่านบอถ้าท่านท่านหนีเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ตามมาหมอืมอากรรมนี่หนีไม่พ้นอ่ะมันเป็นเหมือนเงาตามตัวเลยอื ม, อมแนี้อย่างเดียวที่จะามา่มหมดก็ชดใช้ลงไปกันนี่เขไม่ยามใช้นี่ได้เลยนี่เขาเขาก็ตามมันชงนี่อยู่เลยแหละ พอใจนี่เหมือนว่าเขาก็มาทวงอะไรใช่ไหมคนนี้แข็งนะครยตรงที่เลี่ยนกำเนิดของพระเจ้เราคิดว่าหนีหนีเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมเนื่เป็นรู้ทำก่อนแล้วขึ้นมารับกรรมนี่นี้นจะคิดถือว่าตรงนี้ผิดนย่างนี้กานี้เราเร า, เราจะไปหนีมันมันก็ตามไปเราได้ไปไ ป, ปฏิบัติธรรมมันก็ไปตามเราได้มันจะตามเราเราะฉนั้นคือว่าอย่าไปหนหีเสียเวลาให้เหนื่อยนะ เราก็ดำเนินชีวิตของเราตามปกติของเราไปอย่าไปทำเพราะเพื่อจะหนีกรรมมันหนีไม่คนช้ากเ็เลยมันก็ตามอย่างที่ผ้านอนบางทีก็บอกพระเจ้าบอกอย่าอยู่ตรงนี้เลยที่นี่มันคนไม่ดีพระเจ้าบอกว่าไปข้างหน้าเคี้ยวจะไปเจอคนดีเดี๋ยวมันก็ไปเจอคนไม่ไมดีอยูนั่นมันอยู่ที่ไหนก็อยู่กันไปถ้ายัางต้องอยู่ก็อยู่กันอย่าไปเพราะต้องอย่าไปเพราะหนีถ้ามีเหตุผลอย่างอื่นไปก็ค่อยไป เป็นหมดเทระตรงนี้แล้วไม่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ปไปอย่างนี้ก็ไปแต่ถ้ายังต้องทํำธุระตรงนี้อยู่ก็ทํามันไปต่อไปแต่อย่าทำเพราะเพราะกลัวอย่างเงี้ยอย่าไปกลัววิบากนีมันเดียวมันก็ต้องไปเจอข้างหน้าอยู่ดีจม่ใช่ว่าไปแล้วจะไมีเจ อ, อเราเชื่อเราเหนีตรงนี้ไปตรงนี้จะ่เจอนะจะเจอหนีไปก็มันก็ต้องหนีไปเรื่อยมันก็ต้องมีนี้หมดไปเลยอถ้าเราต้องอยู่ตรงไหนก็อยู่ไป อย่าไปนหนีเพราะเพราะว่าเราอยากจะหนีกรรมหนีเรื่องเนี่เพราะว่าปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจของเราใจของเราคือไม่อยากจะพบกับสิ่งที่เราไม่ชอบแค่นั้นเองงั้นเราหันมาทำใจให้เราเฉยๆกับสิ่งที่เราไม่ชอบดอีกว่าเจออะไรก็เฉยๆไปอาจจะเพราะว่า กิเลสพาคิดพาใจที่ว่าพระโมคคัลลานะยังเป็นพาาาระอรหันต์แล้วพรับกรรมอย่างเงี้ยถึงนั้นแท้ก็ไม่เป็นทุกข์ใจแล้วอะไรเงี้ยเราคิดว่าถ้าเกิดเราหนีไปไปด้วยตัวเราแล้วพระรับกรรมทั้งหมดอะไรเงี้ยจะได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เพราะเราไปคือเราเราเบ<ป>เจ ร, าเราจากับกรรมไม่แน่ใจว่ามันจะให้เรารับเมื่อไหร่ใช่ไหมแต่เราก็ปฏิบัติไประหว่างทางจะเจอก็เจอไปเจอก็เจอไปแต่จะไปเจอตอนที่เหมือนกับคระอังคุริมาหรือพระอะไรก็แล้วแต่เออ เจอก็ต so so mm ้องเจอเจอก็ใช mm ้ธรรมะสู way, ้มันไปทําใจให้นิ่งให้เฉยแล้วใจจะไม่ทุกข์คิดเรื่องาไปคิดนึงบรรลุก่อนไม่ได้ครับต้องไปตามขั้นตอนแล้วต่วนการมจะให้ก่อดที่หลังการที่บรรลุธรรมนี้ก็แล้วแต่ใช่เราไปกําหนดไม่ได้เลยไปสั่งกรรมว่าอย่าเพิ่งเกิดเราให้เราใกล้ตายก่อนค่อยเกิดครับใช่ครับ มันจะเกิดเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้หรอกมันดีคือดีมันเหมือนลูกกาบาทเนี่ยมันโผล่มาดังั้นเตรียมตัวรับไว้เตรียมตัวเตรีย ม, มใจรับไว้ฝึกทําใจสงบคือพระมุกลานะท่านก็ไม่ทราบว่าจะต้องมีการท่านไม่ทราบเมื่อไหร่มันจะมาเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ว่าเทวทัศจะมาเมื่อไหร่ก่อนนั้นท่านก็ไม่รู้ว่าการจะมาท่านก็ท่านไม่รู้ทําแล้วท่านแต่ท่านหนีไปก็ไม่พ้นนั่นคืออันยอำคืออะไรเกิดแล้วอย่าไปหนีมันหนีไปก็เหนื่อยไปเปล่า ไม่ต้องหนีหรอกเพราะว่าใจของเรานี่สามารถรับกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้ากำลังใจดีมาสร้างตัวนี้ดีกว่าสร้างพลังจิตดีกว่าสร้างจิตเพื่อให้รับกับทุกสิ่งทุกอย่าง ไ, ได้ง่ายมันปล่อวางได้มากๆนี่มีบุญเยอะนชใช่ วั S <S <S นนี้อย่างนั้นแล้วต้องไปทำบุญขอเงืงอง่อนขหนี้เถยงยังปล่อยไม่ได้ใช่ไหมต้องอาศัยคนอื่นใช้ช่วยเขาเจ้าต้องพึ่งตัวเองตาทีอัตโนมัติตตที่เราไปทําบุญไปขอคนนี้คนนี้ให้ช่วยเราเราช่วยตัวเราเองนี่จ้ะทำใจการช่วยตจคือการทําใจทําใจให้นิ่งให้สงบ เราต้องฝึกสติให้มากๆถ้ามีพุโทโธมีสติว่ามันจะทำใจได้นถ้ามีปัญญามันก็จะทำลายความทุกข์ทั้งหมดได้มไม่หวั่นไหวกับวิบากกรรมทุกชนิดนถ้ามีปัญญาแล้วจะไม่หวั่นไหวถ้ายังไม่มีปัญญายังหวั่นไหวก็ต้องใช้สติดึงใจไวใ้ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ เหการต่างๆมันไม่ไร้ายแรงเท่ากับความคิดของเรามหมอบอกจะฉีดยานี่ยังไม่ทันฉีดลแล้วตกใจเราไ <c oughs> ปซะกก่อนละนะพอฉีดจริงๆมันก็ไม่เจ็บเท่าไหร่นะนิดเดียวเอง <c oughs> พอหมอบอกเป็นมะเร็งต้องผ่าใจการไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ <c oughs> เหตการจริงๆมันก็ทํานั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรีนนแรงหรอก แล้วมีคนรู้จักอ่ะพ่อพ่อแม่เขาป่วยนะพ่อแม่เขาป่วยแล้วหมดมีดมากเอยเขาอยาใกล้หายเลยเขาใกล้เขาหายแล้วลูกก็เข้าหน้ากันไม่ติดลูกลนดุกก็ลูกหนีออกมาพ่อแม่อารมณ์คนเราเจ็บใครได้ป่วยมันก็อารมณ์ไม่ดีอืารมณ์ไม่ดีมันก็พูดไม่ดีอคนอยู่ใกล้ก็ไม่อยากจะอยู่ด้วย แต่ก็ต้องควรต้องอยู่เพรขาไม่เคยฝึกอารมณ์ไม่ก่อนเลย้าเคยฝึกทําใจว่างให้ใหสงบนในแต่ละร่างกายเป็นไรเขาก็เฉยๆยิม้มแย้ยมแจ่มใสแต่แม่ลูกก็ไม่ได้ฝึกนะแต่เขาเป็นอาพุธแล้วก็ดูยิม้มแย้มแจ่มใสดีเอยังมีข่าวล่าสุดในประธานาธิบดีคาร์เตอร์ที่เขาหมอก็บอกว่าเป็นมะเร็งมันได้ลามไปในสมองแล้ว ใายก็ออกมาสัมภาษณ์บอกผมยอมรับร uh huh. ักษา uh huh. ได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ไป uh huh. แต่ผมไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เดือดร้อนยั uh huh. ยงทำหน้าที่เป็นปกติยังทำงานเลยได้ก็ทำต่อไป uh huh. อต้องจิตใจล้ออย่างนั้นต้องเข้มแข็ง uh huh. uh huh. แต่แต่ท่านไม่ทราบท่านเป็นพระรยาเจ้าอย่างนี้เราม่ทราบแต่ว่าท่านคิดแบบนั้นเงท่านเค็แบบนั้นาจะานจะมองท่านเป็นคริสเตียนไงท่านก็จะมองว่าท่านฝากชะตาของท่านไว้กับพระเจ้าแล้วแล้วแต่พระเจ้าจะจะประทานให้อย่างไัท่านก็ไม่ทุกข์แต่ตอนนี้่ไมไม่ทุกข์แต่ทาจรงจริงเราไม่รู้ชาติอีกชาติอะไรเราไมนร้แต่ตอนนี้ท่านคิดอย่างนี้ท่านเอเพราะท่านคงมีพระสุดบัง อันนี้มันไม่ไปโสดาบังโสดาบังมันต้องแค่ว่ามันต้องเห็นว่ามันความทุกข์ของเราอยู่ที่การไปยึดติดที่ร่างกายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยร่างกายเราก็ต้องเห็นว่าร่างกายมันกับเราเป็นไม่ใช่เป็นเราเป็นแค่ตัวเร า, าอีกทางพูดของท่านนี้ไม่ได้บอกว่าอะไรท่านเป็นถ้านเป็นอยายอมรับชะตากรรก็อาจจะเห็นเห็นว่าเกิดแล้วก็ต้องตาย ก็อาจจะเป็นโซดาก็ได้ไม่รู้แน่ๆแต่ก็โซดา ท, ท่านท้ารู้ว่านี่ไม่ใช่ท่าอยู่แล้วทีร่างกายนี่จะเป็นอ า, าจะเห็นก็ได้ว่าถ้านไม่ยอมรับความตายก็จะทุกข์แ้าก็เลยยอมรับความตายพอยอมรับความตายแล้วมันก็ไม่ทุกข์อันนี้ก็เป็นโสดาสบานันไดคุณพี่ปุ๊บก็จะออกอินสึใหม่ห น, นเะเราเป็นคนออกแบบปก๊บก็แบ ว่าจะทําว่าเออพี่ชายเขาวาดรูปแต่เขาเขาวาดเป็นรูปดอกบัวดีไหมครับออตามใจเล่นมานี่ทําเสร็จแล้วยังปกยังไม่ได้วาดเลยอ่ะพี่ว่าเขาไม่ควรจะเพิ่มเราไม่เห็นนะยังไม่เพิ่มจะต้องถามให้ปุ๊บดูอยํางดำเนินการอยู่เราก็เป็นคนออกแบบทุกเดมเลไรอย่างนี้ ก็ที่ผ่านมาก็จุลธรรมนู่จุลธรรมอะไรเนี่ยเห็นวางอยู่ที่วัดท่านจันทร์ฟักด้วย อ, อ, อันนี้ปลายร้ายแห่งคนเอาปลายแจกกัน อ, อ, อันนี้มาคนเดียวเลยขึ้นมาคนเดียวแต่มาสองคนอ๋อเป็นคนเป็นทีอะกลัวภาพ <laughs> <laughs> กลัวกลองไม่ถือสินะเพาะเพาะกินล่ามักลัวพักไงเจ้าอย่างี้ไม่รบกวนนะ่าักไงมาจากกุฎาจารย์มาจากที่ไหนมาจากเจ้าพุทธเจาเจ้าพุทาอ่ที่บ้านไหนบ้างบ้านไหนอยู่บ้นดัปดู งานกระเดงเดือนน้นไม่ยังสิบสี่สามที่ปีรังจางแล้วใชรไปศึกษางครูบาจางที่ไหนมะเอออยู่วังสามแยกครับรังสาแยกอาจารย์ออาจารย์เกษมอาจรยเกีมปัจจุบันนี้เสร็จครับอยู่รังแม่คยกาคูบาจาหลตามอไม่เคยครับเ่งากอะเยอะใกล้ใกล้ไม่ไป ก็ยังไม่มีโอกาสพอดีผ่านมาทางทางนี้ก็เลย่วนโยมมัเ็นอยู่ที่อุดรอยู่ไหครับกลับอุดรวันนี้กุ้งนี้แหละครับอเพอร์นรอัมเพอร์เพื่อนน้องเซอครับอันนั้นมีวคูบาอาจารย์ั้งป่ะมีทั้งุ๋หลวงปู่ีหลวงบ่วัชัยอ๋ออยู่ทางนั้นเลยครับผมไม่เคยไปเลยเลยยังไม่เคยไป น่าจะไปเนี่อยู่ใกล้ๆครับจะบปกกไปกาบเา อ, องปฏิภา <c oughs> ทางนี้ก็มากาบดูกัวกว่อนวันนี้ไปกาบทางโน้นเขาก็วอยมาทางนี้ตอนนั้นรอกไปกาบทางโน้นคนทางโน้นก็ชอามากาวทางนี้วันนี้ลองสื่อภาษาอะเป็นคนอูดอนไหเป็นคนโคราชครับแล้วเป็นไงมีอะไรไหมมีปัญหาอะไรไหมไม่มีปัญหา ปฏิบัติได้ดีก็พออยู่ได้ครับผมดีอยู่กันเจออีกอยู่กันอยู่วันห้าองค์ครับเป็นสำนักเล็กๆเลยครับสำนักยังไม่ใช่วัดไม่ใช่สานักสงฆ์เป็นที่ของป่าม้อยู่เป็นเขาหรือเปล่าอยู่ใกล้ๆเขาของญีบปุ่นนี่แหละ เขาลูกเดียวกันาเเรดียวกันภูผาน้อยแล้วไปไปถึงถึงว่าท่านก่อนแล้วต้องเลยวัดท่านไปถึงนี่หรือไปคนละทิศกันไปเส้นเดียวกันเือลยไปอ๋อเรลยไปอีกหน่อยนครับผมแต่แล้วมีวัดเล็กๆเยอะเหมือนกันเยอะครับอยู่ตามซอกตามหลือดตามภูเขาเยอะแล้วเลยบินนาบาตที่ไหนกันบินที่หมู่บ้าน ท่านั้นมีอยู่บ้านใกล้วัดเลยเนี่ยก็ห่างประมาณสักามสี่กิก็ต้องเดินลงจากเขามาเดินจากเขาแล้วไฟพงไฟยฟ้าได้ไปเค่บิลมั้ยไม่ใช่แต่มีโซล่าเซลล์ครับน้ำก็อาศัยน้ำป่าเนี่ครับอาศัยน้ำจากภูเขาอมีที่เก็บกับก็พอนมีถังพลาสติกดีกว่า ก็ดีอยู่ในตาในเขาเป็นที่บำเพ็ญมาบวจก็เพื่อบำเพ็ญ น, นะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับภารกิจภายนอกไม่ต้องสร้างโบวถ์ไม่ต้องสร้างเกียรไม่หยิงครับปฏิบัติอย่างเดียวเน้นอย่างเดียวอันนี้ทานเป็นหัวหน้าท่านเป็นหัวหน้าอยู่้วไม่ครับมีครบาอาจารย์่ผมเป็นพระลูกวัด คาอาจารย์ชื่ออะไรชื่อลงปู่ปาครับลุงยมลุงปู่ป๋าครับลงปูป๋าครับปวดมาสักยี่สิบตอภาษาท่านเคยไปศึกษาคุบาอาจารย์หเปเ็นรู้สีลปู่ข้าพอมแล้วได้ไปกาบคบาอาท่านพาไปกับคุบาอาจารย์เ่ไม่นแล้วท่านโน้มบ่ อันเล็กอบรมบ้างก็เพชรให้ฟังบ้างนะคยอันนี้จะไปไหนกลัจะกลับรัฐวภาเกาวดอเนี่ยกลับกลับกลับมันพูดง้เขากลับมันพูดนี้อันนี้ก็ก็จะกลับไปที่พักมาครั้งนี้มาทำอะไรน้างมาจมากลับหลวงพ่อนอยมามางานที่มนที่บ้านโยกครับ ที่ไหนที่บางใหญ่เนนี่ที่บางใหญ่ที่บางใหญ่จำับรี่อนแมีิที่อยู่ที่สีระามเข้าที่ีะาครับเลยเลยมาจัดฟ้องเลยก็ม่เงินหยิบหสือซดีไได้นะทได้ต้องกรถอมีบรรจะกลับลครับได้คะ ขอให้ปฏิบัติตัมพระเจ้าเนี่ยไปเรื่อยๆนะ